เรื่องบุคคลที่ภิกษุควรไหว้สจำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุควรไหว้สจำพวกคือ 1. ผู้อุปสมบทภายหลังควรไหว้ผู้อุปสมบทก่อน 2. ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาตผู้มีพรรษาแก่กว่าเป็นธรรมวาที 3. ควรไหว้พระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุควรไหว้สามจำพวกเหล่านี้แหละ